วิธีถืออุปัชาพิ g สูตรทั้งหลายสัตธิวิหาริกพึงถืออุปชาอย่างนี้สัตธิวิหาริกพึงนุ่งห่มอุตราสง์เฉียงบ่าข้างหนึ่งกราบเท้านั่งประยงประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญท่านจงเป็นอุปชาของข้าพเจ้าเถิด <III> ท่านผู้เจริญท่านจงเป็นอุปชาของข้าพเจ้าเถิดท่านผู้เจริญท่านจงเป็นอุปชาของข้าพเจ้าเถิด อุปชาให้สัตวิทวิหาริกรู้ด้วยกายรู้ด้วยวาจาหรือให้รู้ด้วยกายและวาจาว่าดีละว่าเบาใจละว่าชอบแก่อุบายละว่าสมควรละหรือว่าจงประพฤติปฏิบัติให้หน้าเลื่อมใสอุปชาชื่อว่าเป็นผู้ที่สัตวิทวิหาริกถือแล้วอุปชาไม่ให้สัตวิทวิหาริกรู้ด้วยกาย ไม่ให้รู้ด้วยวาจาหรือไม่ให้รู้ด้วยกายและวาจาอุปชาชื่อว่าเป็นผู้ที่สัตว์ทวิหาริยยังมิได้ถือ